ยี่สิบสามพระสุมังคละมาตุเทรีภิกษุณีผู้พ้นจากของห้าอย่างชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลคนยากจนในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วบิดาก็ยกให้แก่ช่างจากสารคนหนึ่งนางได้กำเนิดบุตรชายชื่อสุมังคละต่อมาบุตรชายของนางออกบวชเป็นพระภิกษุและได้บรรลุพระอรหัต เป็นพระอาหารหันต์ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาคนก็รู้จักกันทั่วไปว่านางคือมารดาของพระสุมังคละจึงเรียกว่าสุมังคระมารดาหรือสุมังคละมาตาแต่เพราะชื่อและโคตของนางไม่ปรากฏฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในบาลีอปทธ า, านว่าภิกษุณีเถรีองหนึ่งไม่ปรากฏชื่อ อัญญาตราเถรีภิกษุณีต่อมานางได้ออกบวชในหมู่ภิกษุณีเจริญวิปัสสนาอยู่เนืองๆวันหนึ่งด้านได้พิจารณาความลำบากที่ตนได้รับในเวลาเป็นขลือหัดเกิดความสังเวชเจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วได้เปร่งอุทานสองคาถาเหล่านี้ว่าเราพ้นดีแล้ว ในการพ้นดีแล้วเป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบจากสากหนึ่งจากสามีผู้ไม่มีหิหริหนึ่งจากร่มหนึ่งจากม้อข้าวหนึ่งและจากงูน้ำหนึ่งเราตัดราคะโทสะขาดแล้วเราเข้าไปยังโคนไม้เข้าฌานอยู่โดยความสุขว่าโอ้สุขจริงหนอคาถานั้นมีอธิบายว่า ท่านแสดงความหลุดพ้นจากสิ่งที่ท่านรังเกียจในเวลายังเป็นคลือหัดเพราะท่านเคยตำข้าวเองด้วยความยากจนทั้งสามีก็เป็นคนไม่มีศีลธรรมท่านมีอาชีพทำร่มขายจึงพ้นจากสามีเสียงผ่าฟืนของสามีอันเท่ากับพ้นจากราคาและโทสะพ้นจากกลิ่นงูน้ําเป็นกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของภาชนะ ท่านอยู่ด้วยผลสมบัติสุขพุทธศาสนาสุภาษิตนักขัดตานิสมณนัสสันตาอังคิงปริจรังวะเนยัถาพุจมะชานันตาพลาสุททิงอมัญยัถา อาหารจะโขนามัสสันเตสัมพุทธทางปุริสุตตมังปุริมุตตาสัพพทุเขหิสัตถุศาสนะการิกาติพวกคนข่าไม่รู้ตามความเป็นจริงพากันนอบน้อมดวงดาวทั้งหลายบูชาไฟอยู่ในป่าแล้วคิดว่าบริสุทธิ์ส่วนเราแลนอบน้อมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุรุษสูงสุดจึงพ้นจากทุกทั้งปวงชื่อว่าทำตามคําสั่งสอนของพระศาสดา